คุณพลางว่า็นไรตื่นเต้นตื่นเต้นนะรู้นะรู้แปใจต้องคอยตื่นขึ้นมาอี่าคปบังคับมันก็อคอยตามรู้อยู่นะกิเลสเกิดบ่อยไห ม, ม, หมอเออดิแต่ยังบังคับอยู่ดูออกไห ม, <c oughs> มรู้ไปฮนะแล้วสิ่งที่ผิดมีสองงานเผลอไปกับบังคับไว้ <c oughs> คุณหมอเป็นไงคุณหมอตั้งใจคับทุกคนอยากตั้งใจ ดูลูกเดียวเลยนะกายก็ส่วนหนึ่งนะเวทนาส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะนี่พอเราดูถึงจิตแล้วนี่เราก็เห็นต่อไปอีกสิ่งที่ประกอบไปจิตนะไม่ใช่จิตอย่างความกังวลความกลัวอะไรเนี่ยไม่ใช่จิตนะเป็นเจตสิกก็แยกออกไปอีกกายก็ส่วนหนึ่งนะเวทนาส่วนหนึ่งนะความปรุงแต่งของจิตเนะี่ยส่วนหนึ่งก็ตัวจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งคุณหมอจับมันแยกไปเรื่อย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 แตะสติอะไรนะ ท, ท, ที่บอกว่าที่บอกว่าเคร่อราัมไมับไม่ใจว่ามเนี่ย ม, มันต้องหรือเปล่ามันเป็นปนทางต้องหรือเปล่ามันบังคับเหลืออยู่หน่อยนึงนะเหวืย น, นิดเดียวดีแล้วละ่ะก็ชนกใช้ได้ละดูเรื่อยๆนะดีแล้วยังเหลือการจงใจบังคับนิดนึงน ไ, นไม่แก่นะให้รู้ทัน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 ดูไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละนะเอาใครจะส่งกันบ้านอีก อ, ะ, <c oughs> อะไรนะ <c oughs> ดีแล้วไปดูเรื่อยๆนะ <c oughs> คือตรงคอยดูหรือก็ระวังอันหนึ่งตรงจงใจดูพอจงใจดูใจจะแข็งๆนิดนึงนะยังแข็งอยู่นิดนึงดูออกไหม <c oughs> ให้รู้ทันตรงนี้นะสงสัยทราบไหม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 ของโยมเคยฝึกแบบไหนมาพอใช้ได้แล้วล่ะดีแลโนะยมคอยดูเรื่อยๆก็แล้วกันคอยดูให้รู้ทันพฤติกรรมของจิตนะจิตของเราเนี่ยเดี๋ยวเขวิ่งไปทางตาเดี๋ยวเขวิ่งไปทางหูเดี๋ยวก็วิ่ ง, ทา ง, างทางใจโยมดูออกไหมตรงนี้นะมันจะวิ่งไปวิ่งมาทางตาทางหูทางใจเนี่ยสามทางหลักๆมันจริงวิ่งหกทางทางอยายตนะหก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 คิดเรารู wick wick wick wick wic ้ว่าคิดคิดเรารู้ว่าคิดหลวงพ่อเตียนท่านสอนบอกว e, ่า <alongside> ถ้าเรารู café, <man>. ้ทันว่าจิตคิดนะเราจะได้ต้นทางของการปฏิบัติรู้ทันว่าจิตคิดในโลกนี้ไม่มีคนรู้ทันว่าจิตคิดมีแต่รู้ทันเรื่องที่จิตคิดชอบไปรู้เรื่องที่จิตคิดจิตจะคิดเป็นเรื่องเรื่องเรื่องโน้นเรื่องนี้เปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆใครๆก็รู้เรื่องที่จิตคิดแต่ไม่ค่อยมีคนรู้ทันว่าจิตกําลังคิดอยู่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 มันไม่ถูกกิเลสครอบงำดีแล้วใครรู้ไปนะคุณกบดีะล้วสุนันล่ะโอ้เป็นธรรมชาตินะหรือพกกว่ปรู้เป็นธรรมดาเป็นอย่างนั้นทุกคนแหละนะคุณเป็นไงบ้างยังบังคับอยู่ทราบไหมอออนึกออกหรือยังมันบังคับนะ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 เรารู้ได้ไม่ตรงความจริงอะได้แต่สมถะคุณประกรณ์เป็นไงคุณประกรณ์วันนี้ต้องเร็วนิดหนึ่งนะทำไมเยอะนวก็ไม่รู้อ๋อแต่คิดมากทุกคนสติเกิดบ่อยไหมกิเลสเกิดบ่อยไหมอย่างนี้ดีล้วดีแล้เห็นกิเลสดีกว่าเห็นเทวดานะ เขาเห็นคิตเทวดาแล้วเกิดกิเลสเห็นกิเลสเลยเลยพนกิเลสอาจารย์ครในการปฏิบัติตามขั้นเนี่ยเราปฏิบัติตามรูปแบบนี้ปฏิบัติตามรูปแบบเนี่ยถ้าเราเจริญเวทนาเนี่ยเราจะเข้าไปดูตรงๆดีหรือว่าจะเรื่องเดีแล้วแต่ว่าเราทํากรรมฐานชนไหนนะถ้าเราทํากายานุปัสสนารูป ก, กายเนี่ยมันมีเวทนาขึ้นมาเราก็ขยับเปลี่ยนอิริยาบถเราก็จะเห็นว่ากายเมื่อกี้อยู่ในอิริยาบถอันนึง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 พอเราเปลีดีริยาบทจิตมีความสุขเรารู้ว่าจิตมีความสุขเนี่ยถ้าเราดูจิตเราก็เปลี่ยนดีริยบทได้แล้วแต่คุณประกอบจะเอาอะไรนะเร <c oughs> ื่องดูเวทนาก็ทนเอาอย่างสายท่านโคนณการห้ามกระดุกกระดิกาาาางงั้้มีีกํลลเเเนนนน่ยดูวดววทแแ็อ ต่ ป, ปีติใจมันมีปีติขึ้นมาไปเห็นความจริงขึ้นมาเกิดปีติมันร้องหมร้องไห้ได้คุณไกรพักเหล่ายังคิดไม่เลิกนะใจมันไม่ยอมตื่นช่วงนี้รู้สึกไหมคิดคิดเยอะไปนี่ว่าไปยังเติรแล้วเหร อ, อคุณผู้หญิงเนี่ย สองคนดีดีนะดูมันเกิดระดับนะไม่เข้าไปแทรกแสงไม่ใช่เข้าไปละใช่ใช่เราจะเห็นเลยว่าตัวขัดท่าจริงๆเป็นตัวทุกข์นะสติเราเป็นตัวราลึกรู้คือปฏิบัติถูกต้องมันจะเห็นทุกข์มันไม่ใช่เห็นสุขหรอก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 ถ้าเรามีสติรู้ลมหายใจอย่างถูกต้องเราก็จะเห็นว่ากายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นทุกลมหายใจเข้าออกในกายเป็นทุกข์ล้วนๆเลยจิตใจล่ะจิตใจก็ดูไปเรื่อยนะมีแต่ความแปรปรวนเที่ยววิ่งหาความสุขความสุขอยู่แวบเดี๋ยวก็หายไปอีกละอย่างเรามีความอยากเกิดขึ้นเราตอบสนองความอยากของเราเรามีความสุขได้แวบหนึ่งเดี๋ยวเราจะอยากอันใหม่ละเรื่งความทุกข์มันจะตามไล่จี้มาตลอดเลย เราก็จะค่อยๆคิดว่าเออถ้าจิตไม่อยากไม่ยึดจิตจะไม่ทุกข์นะอันนี้ยังดูได้ไม่ตลอดสายถ้าดูตลอดสายเห็นว่าตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์ถ้าตัวจิตเป็นตัวทุกข์มันจะปล่อยวางจิตถ้าปล่อยวางจิตแล้วมันจะพ้นทุกข์จริงๆมันอัศจรรย์มากพักเพียรไปดีแล้วทั้งสองพี่น้องเนี่ดีแล้วเออต้องอย่างนั้นแหละทาถูกแล้วล่ะ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 <laughs> มันจะไม่จะไปเยอะนะแล้วจะไล่หมดเดี๋ยวนี่ย <laughs> อ้าวว่าไงโย <c oughs> เอ่อเห็นอะไรก็เห็นแต่นะ <laughs> รู้สึกไปบ่อยๆก็แล้วกัน <laughs> มันไม่เกิดซ้ํากันหรอก <c oughs> ความสุขเนี่ยของโยเนี่ยมันหมายถึงความสุขที่ใจมันตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่ใช่ไหม <c oughs> อานะ้าวนั่นแหละเพราะว่าเราไปรู้มันเข้า เห็นไหมในขณะที่กำลังสับสนวุ่นวายเนี่ยมีสิ่งบางสิ่งที่สงบอยู่ในทุกๆสถานการณ์เนี่ยถ้าเราเข้าไปถึงธรรมชาติรู้อันนี้งั้นในความวุ่นวายก็จะมีความสงบในความร้อนก็มีความเย็นอยู่เหมือนมีที่หลบภัยแต่ว่าถ้าหลบภัยอยู่ตรงที่นี้นะก็ไปไหนไม่ได้ดีแล้วที่โยเห็นอย่างนั้นนะเห็นถูกแล้วล่ะ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 สองนิดคู่ข้างๆแค่ตัวประกอบนะหน <c oughs> ้าว่างไงหัวหน้าทีมทุสิ <c oughs> นเริ่มเสื่อมมาประมาณสี่วันแล้ววันนี้แตกสรางเหรอน้ำตาลแตกสร้างหรือจิตไม่เสื่อมหรอกนะสังเกตไหมว่าจิตใจมันเปลี่ยนไปเรื่อย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 ยิ่งมันแน่นขึ้นมาแล้วเราไม่ชอบยิ่งดิ้นก็ยิ่งแน่นกว่าเก่าอีกอ้าสมพงว่างไงมันแยกกับขัน อ, อบนเออเ อ, อืเออทุกไปก่อนนะรู้ไปด้วยใจเป็นกลางกลาไงไว้เป็นธรรมดา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 ดีแล้วนะดีแล้วคุณอมมาลาดีแล้วก่อนลูกหลานมันควรมากนะเวมาลาหนีเข้าชานทั้งวัน <c oughs> ดีแล้วดีแล้เอายอมพาว่าไงดีแล้ว <c oughs>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 ถ้าไม่มีความสุขก็เป็นกลางๆนุ่มนวลสบายๆนะมีได้สองอย่างจะไม่มีความทุกข์จิต ท, ที่มีความทุกข์เนี่ยต้องเผลอๆห ล, ห ล, ลงๆเ ง, ง, นะงั้นดีแล้วละ่ะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะที่รุ่งสีไม่มา <c oughs> อ๋ออยู่นี่